ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วปฏิบัติจนเสร็จกิจมาลูกผลคือดับทุกขโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นี้คือผู้ที่ไม่มีทุกข์จริงๆแต่สำหรับที่ผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกย่อมไม่หมดไปจากใจเราเพราะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของกองทุกข์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 แก่ทุกข์มันมีการบีบคัน้นจะต้องมีการกระพิบตาทำไมถึงต้องมีการหายใจเข้าและก็หายใจออกเพราะทุกข์มันบีบคัน้นที่ต้องมีการหายใจเข้าและหายใจออกทาไมจะต้องแก่ทําไมจึงต้องเจ็บและไม่จ้องตายเนี่ยจริงเรื่อคือทุกข์บีบคัน้นดังนั้นแต่เราไม่พยายามที่จะมาสนใจพยายามหลีกเลี่ยงใครว่าไทยฐานถึงอายุนหน่อยก็เครียดเพราไม่ยอมรับความจริง ถามอะไรถามตัวอย่าง ถ, ถามถึงอายุเวลาป่วยไข้เราก็เป็นทุกข์มากแม้กระทั่งร่างกายเป็นผู้ที่ป่วยไข้แต่ทําไมเรามีทุกข์ถึงด้านจิตใจและค ว, วามตายใครที่ไม่กลัวตายไม่มีนอกจากมีพระยเจ้าที่ไม่กลัวตายคือเขาเข้าใจเรื่องความตายอย่างชัดแจ้งแล้วเวลาเรามีความพัดพลากจากสิ่งที่เรารักอาจจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักเรามีความทุกข์ใจไหม อาจจะทุกน้อยทุกมากมันต่างกันบางคนทุกนิดเดียวแต่ก็ทุกแหละบางคนทุกมากจนทั้งฆ่าตัวตายตามก็มีนะเวลาเราเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่ได้อย่างใจหวังเนี่ยมันมีความสุขดีไหมเราก็มีความหงุดหงิดมีความทุกเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ต้องการเจอสิ่งนี้แต่เราต้องเจอต้องเจอแล้วก็มีความทุกข์อันนั้นเป็นความทุกทุกคนก็เคยผ่านมา แต่ทุกจนน้ําตานองหน้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ได้สัมผัสเมื่อถึงเวลานนั้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีสติม่มีวิญญาณที่จะแก้ปัญหาใจเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักทุกเราก็ว่าเราไม่มีทุก <c oughs> แต่ทุกที่แท้จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นกายใจเป็นตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเป็นทุกอยู่ล่ําไปจนกว่าเราจะรู้แจ้งแล้วก็ปล่อยวางมันจะได้แล้วก็ไม่ยึดติด เราก็จะพ้นทุกโดยสิ้นเชิงก็ไม่เป็นไรนะถ้าบางคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเรามีทุกหรืเอเปล่าไม่เป็นไรสนใจไว้ก่อนฟังไว้ก่อนนะเราจะได้มีสติมีปัญญามีวิธีการเตรียมใจเอาไว้เตรียมใจเอาไว้เวลาที่ทุกมาเยือนโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนผมเองก็ไม่คิดว่าต้องไม่ใช่ชีวิตแบบนี้นะไม่เคยคิดมาก่อนคิดว่าเรานี่ประสบผลสเร็ ท, ท, ทุกอย่างแนละ้ว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 เนี่ยโอ้เราตั้งนี้ไปต้นไปเนี่ยเราก็รจะต้องนอนแบบอยู่บนเตียงนอนรอความตายแบบไร้ค่าที่สุดไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้แช่งคนทุกคนมีสิทธิ์เึ็นคนพิการดังนั้นใช่ไม่มทุกคนมีสิทธิ์โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนอันนี้เพื่อความไม่ประมาทเราฟังเอาไว้แล้วก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูเราจะได้มีวิธีการที่จะเผชิญหน้า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 ปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาทำได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนก็ตั้งเราหลับไปเราสามารถปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลยก็ยังมีคนถามต่อเลยนะนี่ถามแบบจะหาเลือก็ถามว่าอาจารย์ก็ทำได้สิพราออาจารย์ไม่มีครอบครัวและอาจารย์เป็นคนพิการด้วยไม่ทำหากินอะไรสบายเลย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 เราจะเป็นคนที่สิ้นทุกเป็นคนสุดท้ายหรือไงถ้าบราแต่เริ่มต้นคนอื่น <c oughs> ให้คนโน้นทำดีคนนี้ทำดีเอ้เราทำไมไม่ทำดีก่อนเป็นคนแรกเราจะเป็นคนดีเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้หรือไงต้เริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ไหนก็เริ่มที่ปัจจุบันขนาดนี้เริ่มอย่างไรเริ่มโดยการทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวสามคำรู้สึกตัว ง่า ย, ายการปฏิบัติธรรมมีแค่สามคำคือรู้สึกตัวนี่เป็นการเริ่มต้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาบาลีให้มันคขังๆหน่อยหร War, ือว่าสติสติสัมปชัญญนะเราเคยได้ยินบ่อยๆสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้ที่กายที่ใจเราการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเริ่มด้วยการจเจริญสติทําสติให้มันมากขึ้นกันไว้ ทำตติดมากขึ้นมัวทมหลักปฏิบัติใหญ่ๆนะสังเกตดูนะจะมีคำว่าสติสติทั้งนั้นเลยมัวทมหลักปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยหลักธรรมะใหญ่ๆมีสติสติอย่างเช่นว่าอนุสติท่านยินหอนุสติคือการวิสติละลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสิบข้อนะ่ย ที่เราท่องเราบริกรรว่มมาพุโทโธพุโทโธนั่นหละเป็นอนุสติระลึกถึงพุทธคุณหรืออีกอันหนึ่งก็คือกายคตาสติเขาร้ยินไหมคือมิติตามรู้ไปในกายเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ภาษาบาลีเขาว่าเกษโลมานาขาทันตาตะโจเขา้ยินไหม เนี่ยพระที่บวชหมายต้องเขาเรียกว่ามู ล, ลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นคือกายยะคตาสติคือมีสติตามรู้ลงไปในกายเรานรือีกหมวดหนึ่งหมวดนี้ก็ใหญ่มากหมวดที่เรียกว่าอานาปานาสติเคยได้ยินไหมครับอานาปานาสติคือการมีสติตามรู้ลมหายใจของเราซึ่งมีในตัวเราอีกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออก ให้มีสติรู้หายใจเข้าสั้นก็ให้มีสติรู้หายใจออกสั้นให้มีสติรู้หายใจเข้ายาวให้มีสติรู้หายา ใ, ห ใ, หใจออกยาวก็มีสติรู้คือรู้ลมหายใจเข้าออกก็เรื่องตัวเราอีกแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหมวดใหญ่คือสติปฐานสี่คือการมีสติและลึกรู้ลงไปที่กายที่เวทนา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 มันเริ่มแยกแล้วนะถ้าเราเราลึกรู้แบบนี้มันจะเกิดการแยกในทางจิตใจกายคือส่วนกายจิตคือส่วนจิตเวลาเดินจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้เดินและเป็นไงจริงนะจิตมันเดินไหม <c oughs> จิตไม่ได้เดินจิตเป็นเพียงแค่รับรู้รับทราบ ก, กายมันรู้ไหมกายไม่รู้กายทาหน้าที่เดินเวลานอน กายเป็นผู้นอนจิตเป็นผู้ดูเราแยกแบบ น, นี้ได้แล้วก็เวลากายทุกเนี่ใจจะไม่ทุกขนะเวลากายป่วยใจจะไม่ป่วยนะเวลากายหิวใจจะไม่โมโหนะเวลากายแก่ใจมันจะไม่แก่เพราไม่แก่นี้ไม่ใช่ว่าไปทำอย่างอื่นคือรู้วมจริองว่อนี่ความแก่เป็นเรื่องของกายสมัยก่อนมีเพลงที่บอกว่าถึงฟันจะหักถึงหนังใจเหี่ยว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 เมื่อกายป่วยใจก็ป่วยเมื่อกายอ้วนใจก็ทุกเนเมื่อกายหิวใจคนมันก็บอเมื่อกายไม่สวยใจก็ทุกเนี่ยซึ่งแยกกันไม่ได้มันยังไงถ้าจิตรู้แบบ น, นี้ได้แล้วก็จิตจะช่วยเหลือกายให้ถูกต้องนั่นการจตุสติรู้กายแบบ น, นี้มันยัมีการแยกแยะ ร, ระหว่างจิตเป็นผู้ดูกายเป็นผู้เป็น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 ไอ้ที่เราสุขเนี่ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากทุกมาคิดว่ามันสุกเปล่าแล้วเราเปลี่ยนต่อไปหนักเลยมันก็จะทุกต่อไปเราไม่เคยทานข้าวมื้อเดียวอิ่มตลอดชีวิตเลยต้องทานข้าวไปหลายบ่อยๆบางคนหลายบางคสี่มื้อเพราะเรื่องของร่างกายเรื่องการต้องตามแก้ไขความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนียเดี๋ยวมันก็ถ่ายหนักเดียวมันก็ถ่ายเบาเดี๋ยวมันก็ถ่ายไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ไม่ยอมถ่ายสารพัดอย่างที่กายมันจะเป็นผมเนี่ย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 คิดแก้ปัญหาตอบคาถามเนี่ยผู้เนี้ยคิดด้วยสติตั้งใจคิดมีประโยชน์มากและจบง่ายด้วยและมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยขณะฟังวีธีใจมันคิดแล้อันนั้นเราไม่อยากคิดนะแต่มันต้องคิดเราห้ามมันไม่ได้เวลาจะนอนจะหลับตั้งใจจะหลับแต่ทำไมมันคิด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 เราคิดปรุงแต่งห เ, เราขับรถด้วยความเคยชินขับด้วยความเคยชินแต่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับการขับรถร้อยเปอร์เซ็นต์มีเผลอแป๊บๆนั้นเราทำงานมักทำด้วยความเคยชินแต่ขาดสติอยู่ในแดน ง, งานของเราจิตใจเลื่อนลอยอาการภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันอาจจะทำงานเหมือนกัน means. อาจจะฟังเหมือนกันหมดเลยนั่งฟังเหมือนกันแา่คนเหมือนจะฟังนะแต่ใจเนี่ยไม่ได้ฟัง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 สติมีหน้าทีต่ตรงนี้ยให้รู้ทันทำไมต้องรู้ทันใจเราเพราะว่าใจเราเนี่ยมันหาเรื่องให้เราทุกข์มากมายเรามีความทุกข์เพราะใจเราต่างหากเพราะใจเราไม่มีสติเรารู้ไม่ทันใจเราเพอเกิดความรักเราก็รักหมดเนื้อหมดตัวไปเลยเพอเกิดความโกรธก็โกรธแบจะฆ่าเข้าไปเลยไอ้ใจเนี่ยมันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งยทั้งพวงถ้าบตัวแรก ม, มันก็หมดปัญหา แต่ช่าลืมตาอยู่เนี่ยดูโลกเนี่ยมันจะมีปัญหาทนานจิตใจสติที่จะเจริญแล้วเนี่ยคือจะรู้ทันจิตทันใจเราเพราะใจเรานำเอากิเลสซึ่งเป็นเหตุเรื่องความทุกขุมามากมายใช่ไหมเนี่ยสติเมื่อรู้ทันใจแล้วก็มันจะเอาชนะใจเราได้เราเอาชนะใจได้นั้นต้องใช้สติอย่างเดียวพรสติเกิดรู้ทันใจนจะเกิดปัญญา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 พูดเพราะๆเะนี่ะอารมณ์ดีๆมันไม่เก่งนี่หละอยู่ไก้คนแบบนี้แหละเราจะเก่งไอ้คนที่มันหงุดหงิดใส่เราบ่อยๆนี่แหละวิธีการปฏิบัติก็คือเวลาเขาหงุดหงิดใส่เราระบายอารมณ์ใส่เราเนี่ยเราอย่าไปสนใจเขาสิถ้าเราสนใจเขานี่สเสน่ห์เขาจะดูดเราเข้าไปนะ <c oughs> เราือติดโรคของความทุกข์จากเขานะอย่าปล่อยความผิดปกติของเขามาทาลายความปกติของใจเราสิ ก็ดูที่ใจเราอ๋อใจเราพอใจไหมให้เรารู้ไว้เราไม่พอใจให้รู้ไว้ดูที่ใจเราเนี่ยมันจะหมดปัญหาที่ใจเรานะปัญหาเกิดที่ใจเรานะเขาจ้างุงยีนะปล่อยเ้าจะดูที่ใจเราดูอารมณ์ที่มันพอใจไม่พอใจอันนี้เป็นการปฏิบัติทำเป็นการดูจิตเลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่ปฏิบัติที่ไหนนี่แหละคือตัวสอบอารมณ์สักวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนะ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 ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์สอนเรานี่ยนะไอ้คนรอบตัวเราเนี่ยเราฝึกดูสิเมื่อเราสงบบ่อยๆนิ่งบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะได้คิดเขาจะได้สติเขาจะเริ่มปรับตัวอเนี่ยเอาเลือกกับเราไม่ได้เดี๋ยวเขาไปหาเรื่องคน อ, อื่นต่อไป <c oughs> ถ้าเขาเก็บหลาเขาก็จะเข้าใจก็แก้ปัญหาไปเนี่ยแล้วเราจะเก่งเราไม่หนีปัญหาไอ้เรื่องคนที่ไม่พอใจงุนิตเรา่างนี้เนี่ยในโลกเนี่ยเราไปที่ไหนเราหนีไม่พ้นหรอกเราต้องเจอ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 เป็นอย่างไวเจ็ดเดือนเป็นอย่างกลางเจ็ดปีเป็นอย่างช้าจะได้ผลผลคือเป็นพระหรหันในชาตินี้คือสิ้นทุกไปเลยหมดทุกไปเลยถ้าแม่นพระหรหันก็เป็นพระนาคามีคือเป็นพระยะที่รองลงมาเป็นพระนาคามีก็มีทุกน้อยที่สุดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทําอย่างถูกต้องให้มีสติรู้สึกตัวอย่างถูกต้อง ในกายในใจเนี่ยให้ต่อเนื่องต่อทั้งวันเนี่ยภายในเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีต้องเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่งั้นก็เป็นพระอน า, าคามีคือทุกข์ลดลงบางทีมันกล้าลองนะมันน่าจะลองเป็นการท้าพิสูจน์แหละแต่ส่วนมากคนที่ไปลองก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าทําไปใจจะเอาเมื่อไหร่มันจะเจ็ดวันที่จะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยไม่บรรลุผลแล้วมันมีโอกาสเป็นได้ฉะนั้นคือทุกข์มันลดลง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 มันดับทุกทางใจไม่ได้เลยควารู้ทั้งหลายนีย่ดับทุกทางใจไม่ได้เลยจึงหันมาสนใจธรรมะแค่การได้ยินได้ฟังได้คิดได้มันก็เริ่มเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ได้เข้าถึงเข้าใจธรรมะอ๋อมันต้องปฏิบัติต้องกลับมาแก้ปัญหาตัวเราเองปัญหาที่จิตใจที่มันยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเลยมันเป็นตัวเรานถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะปล่อยวางมันได้ใจเราก็จะพ้นทุกข์ก็เริ่มการปฏิบัติ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 วันหนึ่งเนี่ยหก็ดชั่วโมงนะผมนอนพิดมือแล้วรู้สึกรู้ทําทุกวันก่อนจะปฏิบัติเนี่ยผมอ่านหนังสือศึกษาตํารามาสิบหกปีเลยสิบหกปีแต่ไม่เริ่มการปฏิบัติใจมันก็ยังทุกข์อยู่แต่พอลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตมันเริ่มอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ไม่เลื่อนลอยลนะมันก็มีการอาการเบาจิตก็เริ่มเบาแทนที่จะไปเครียดเพราะความคิดแต่กลับมารู้ส ก, กับการเคลื่อนไหว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 อยู่กับกายพิการโดยที่ใจมิทุกพวะอาศัยการเจริญสติเนี่ยมาเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ใหม่ๆต้องทําให้มากๆเจริญเพิมา ก, มา ก, มา ก, มากต่อไปเนี่ยไม่ต้องเจริญหรอกมันเกิดขึ้นมาเองอะไรทําทำบ่ยบอยๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองได้นะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยถือว่าจําเป็นมากสติจําเป็นต้องใช้ทุกเมื่อถ้าขาดสติเมื่อไรแล้วก็มีโอกาสที่ผิดพลาดในชีวิตได้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 แค่เพียงรู้บ่อยๆสะสมความรู้สึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญามันจะเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจเราก็จะพ้นทุกข์ได้มันจะนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอก mm. ขอให้เราเริ่มสาะสมเริ่มรู้สึกตัวบ้างอย่างเราทํางานในธนาคารไเนี่ยเราเอาเวทีของเอาการทํางานเป็นเวทีการปฏิบัติธรรมไป mm. เราจะได้บุญทุกวันไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็เอานี่ละ เอาธนาคารกรุมศรีอุทยาเป็นวัดเลยเอาใจเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธนาคารกรุงศรีอุธยาวาลารามไปเลยก็ <c oughs> เอาเป็นวัดเป็นการปฏิบัติเลยเนะี่ยเก็บความรู้สึกตัวทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันมก็จะเจริญนะบางทีเราไม่มีโอกาสไปทำที่อื่นก็ทําที่เนี่ยที่ทํางานเนี่ยเนยเพราะฉะนั้นการเจริญติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นไปได้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 มาเป็นสิ่งที่เราลึกรู้แะเที่จะปล่อยใจใเรื่อยกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของหน้าร่างกายซึ่งผอกว่าเคยทํามาก่อนเรารู้สักหน่อยไหมลองเราทํารูปแบบสักหน่อยหนึ่งง่ายๆอาศัยกายของเราเนี่ยเอานั่งสบายๆเอามือข้างขวาข้างนึ่งข้างกวา่าเอาแบบง่ายๆลองเจริตสติไปกับการเคลื่อนไหวของมือการเจริตสติแบบเนี้ยไม่ต้องใช้ความคิด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 มันเผลอไปแล้วกลับมาลุยมันเผลออีกกลับมาลุยรู้ใหม่เรื่อยๆชีวิตจะใหม่เรื่อยๆทุกที่เรารู้สึกนั่นคือชีวิตใหม่ตาล่ะไหนเคยเห็นความคิดบ้างเห็นความคิดบ้างไหมเรื่องมีแต่ตานางตาเดียวอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งแล้วมันจะเครียดการไปในบัตรอนที่ถูกต้องนั้นถ้าทําแล้วเครียดทําได้ทุกหนไม่ถูกทาง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 มันเวรกรรมอะไรของเราเนี่ยมันซ้ำเติมตัวเองเมื่อไหร่เราจะหายเนี่ยใครหนอมาทำเราโทษคนนู้นโทษคนนี้แต่เราไม่ทำแบบนั้นเราคิดหาทางออกจะทำไงให้ชีวิตเรานี่มันดีขึ้นคิดหาทางออกเราไม่ได้คิดซ้ำเติมตัวเองรู้จักยอมรับความจริงรู้จักอดทนแล้วก็คิดหาทางออกอย่างน้อยคิดเป็นบวกไว้ก่อนคิดเป็นบวกไวก่อนมองดูคนที่มันแย่กับเราปรึกษาผู้รู้